ช่างทอผ้าทั้งสมการละครั้งหนึ่งนานมันแล้วยังมีช่างทอผ้าคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ก, กับลูกสาวของเธอนอราในขณะที่แม่ทอผ้าอยู่ทั้งวันโนราไม่ได้ช่วยเหลือเธอเลยโนราเกลียดเสียงเครื่องทอผ้าเธอชอบวาดภาพมากกว่าและแม่ของเธอก็คิดว่าการวาดภาพเป็นเรื่องที่เสียเวลานรานราลูกรัก ทำอะไรอยู่นะมาช่วยแม่ทอผ้าหน่อยเร็วเดี๋ยวก medi, ่อนค่ะแม่ให้หนูวาดรูปเสร็จก่อนนะแม่บอกกี่ครั้งกี่หนว่าการวาดรูปมันเสียเวลาเปล่าแล้ไม่เห็นใจแม่หรือยังไงกันแม่ต้องทอผ้าทั้งวันเพื่อหาเงินมาเลี้ยงพวกเราและที่ลูกทำก็มีแต่เรื่องไร้สาระแต่แม่คะหนูกำลังวาดด้วยเพื่กับเจ้าของที่นะคะเขาบอกว่าจะจ่ายเงินให้ด้วยนะพอได้แล้วนะ ลูกอาจจะขายภาพวาดพวกนั้นได้สองสมรูปหรือไม่ก็ขายได้แค่กับผู้คนรวยแล้วคนรวยในเมืองของเรานะ่มันมีเท่าไร่กันเชียวแต่ทุกคน่ะต้องใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าขายได้ให้กับทุกคนแล้วเราก็มาทอผ้าซะสิ่งนี้เกิดขึ้นเกือบจะทุกวันโนราจะนั่งวาดภาพส่วนแม่ของเธอก็ไม่ยอมจะให้เธอทำวันหนึ่งแม่ของเธอโมโหอย่างมากเธอจึงเคลื่ออุปกรณ์วาดภาพของโนราทิ้งไป นอรามาที่สวนและร้องไห้ออกมาและในตอนนั้นเองราชินีได้ผ่านมาแถวนี้เมื่อเธอเห็นนอราที่กำลังร้องไห้อยู่เธอสั่งให้ทหารหยุดรถตรงหน้าบ้านของหญิงทอผา้าโอ้ทหารหยุดรถก่อนนะหยุดร้องไห้ได้แล้วนะราชินีของเราด่ สวัสดีเพค้าฝาบาทสวัสดีคุณผู้หญิงนั่นลูกสาวของคุณอย่างนั้นเหรอเ อ, อ้าใช่เพคะสวัสดีเพคะฝาบาทสวัสดีเธอเป็นเด็กสาวที่สวยนะเนี่ยขอพระทัยฝาบาทแล้วทำไมเธอถึงร้องไห้ละ่ะมีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอจะให้ฉันพูดอย่างไงดีละ่ะเพคะลูกสาวของฉันชอบทางานดัอกอยู่เสมอทารกัดถอดผ้าแล้วก็ทอผ้ามากๆ ฉันบอกเธอว่าอย่าหักโหมแต่เธอก็ไม่ยอมฟังฉันเลยแม่คะตอนฉันพยายามจะบังคับให้เธอไปพักนะคะแต่ก็ร้องไห้ออกมาฉันนี่สงสารเลยจริงๆนะฝ่าบาทไม่รู้ว่าฉันจะหาได้มาจากที่ไหนลูกสาวฉันถึงจะพอใจนะคะโอ้ฉันประทับใจมากเลยนะที่คนนมสาวที่ขยันในอาณาจักรของฉันมีมากขนาดนี้ทําไมคุณไม่ส่งลูกสาวที่น่ารักของคุณไปกับฉันล่ะฉันรักเสียงเครื่องปั่นได้ และที่พระราชวังของฉันก็มีได้มากมายถ้าหากนางทอผ้าให้ข้าได้สามผืนข้าจะให้นางแต่งงานกับลูกชายคนโตของข้าช่างเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับหญิงทอผ้าจนๆอย่างข้าฝ่าบาทขอพระทัยท่านมากแต่แม่คะโอ้ไม่ต้องห่วงแม่หรอกนะลูกรักแม่นะ่ะยังไม่แก่ขนาดนั้น แม่ดูแลตัวเองได้ลูกนะ่ะไปที่วังเถินะลูกนะฝ่าบาทเนี่ยมาขอด้วยตัวเองถึงที่เลยนะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเถินะจ๊ะดังนั้นนร่าจึงไปที่พระราชวังพร้อมกับราชินีราชินีพานอร่าไปในห้องที่เต็มไปด้วยต้นไฟามากมายที่นร่าไม่เคยเห็นมา ก, ก่อนราชินีพูดกับเธอว่าพักก่อนเถินะวันนี้ แต่เธอต้องทอผ้าจากใยพวกนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพคะฝ่าบาทโนราสับสนเป็นอย่างมากเมื่อมองไปที่ต้นฝ้ายเธอไม่รู้เลยว่าต้องทอํายังไงเธอได้แต่นั่งมองต้นฝ้ายอยู่ตลอดทั้งวันวันต่อมาราชนินีตกใจมากเมื่อไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยโอ้เธอยังไม่เริ่มทอผ้าอีกเลยโนรา ขอโทษด้วยเพคะฝ่าบาทฉันคิดถึงบ้านของฉันมากมันทำให้ฉันไม่มีกระเจิดกระใจทำงานเลยฉันขอโทษเพคะโอ้ฉันเข้าใจล่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องรีบรอกราชินีออกไปแต่ว่านอร่ายังกังวลเป็นอย่างมากเธอไม่เคยเรียนรู้วิธีทอผ้าจากต้นฝ้ายเลยเธอเกลียดที่จะต้องทำมันเธออยากจะบอกความจริงกับราชินีแต่ก็กลัวว่า ระชินีจะลงโทษแม่ของเธอนอร่าเองไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเธอจึงร้องไห้ออกมาแล้วทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาเธอเห็นผู้หญิงสามคนที่เดินตรงเข้ามาหาเธอพวกคุณเป็นใครกันและพวกคุณมาจากไหนนะาอ๋อบันใหม่ซ้ำขอนรองว่าพวกเราเป็นใครมาจากที่ไหน สำคัญแค่ว่าพวกเรามาทำอะไรมากกว่าและพวกเรามาที่นี่เพื่อช่วยเธอเถี่รักถ้าเธอยอมให้เราช่วยช่วยฉันงั้นเหรอยังไงคะเรารู้ว่าเธอยังไม่ชอบการทอดผ้าดังนั้นเราจะทอผ้าจากฝ้ายพวกนี้ให้เธอเองจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะและฉันจะตอบแทนความเมตตาของคุณยังไงดีล่ะ พวกเราต้องก่อหนึ่งสิ่งน่ะไม่น้าไม่ให้พวกเราแน่พวกเราหน้าเกลียดเกินไปพวกเรากำลังคิดอะไรอยู่นะหมาเธอพวกเราแค่จะทอผ้าจากฝ่ายให้แล้วก็ไปอแต่ว่าอะไรงั้นแหละคะพวกคุณต้องการอะไรบอกฉันมาเถอะถ้าพวกเราทอผ้าจากฝ่ายทั้งหมดให้เธอถ้าต้องสัญญาว่าจะเชิญพวกเราไปงานแต่ง และแนะนำแขกในราชวงศ์ว so ่าเราเป็นป้าของเธอนะเธอไม่ทำแน่ดูพวกเราสิดูนิ้วโป้งบนเท้าของพวกเรามันโตน่าเกลียดตาก็เละแถบมองไม่เห็นแล้วยังจะมีปากที่ยาวที่น่ากลัวอีกเธอนะไม่มีวันเชิญพวกเราไปให้ครอบครัวของราชวงศ์ได้เห็นแน่เลย ว่าพวกเราหน้าเกลียดเกินไปถ้าพูดท้องแล้วเหรอโอแน่นอนสิคะฉันจะเชิญพวกคุณแล้วใครบอกว่าพวกคุณน่าเกลียดกันล่ะคณช่วยฉันในยามที่ฉันลำบากนั้นก็มีค่ามากกว่าความงดงามภายนอกทั้งหมดของโบโลกนี้แล้วไม่เพียงแต่เชิญพวกคุณเท่านั้นแต่พวกคุณนะ่ะจะได้นั่งโต๊ะแถวหน้าถัดจากฉันกับเจ้าชายด้วยโอ้จริงเหรอแล้วเจ้าชายจะไม่โกรธหรือว่าจะหลงพวกเราอย่างนั้นเหรอ เขาอาจจะปฏิเสธการแต่งงานกับเธอก็ได้นะไม่มีหญิงหน้าเกลียดเช่นพวกเราไปนั่งแถวหน้าของโต้นะถ้าเจ้าชายดูถูกญาติอันเป็นที่รักของเจ้าสาวของเขาแล้วก็ข้าก็คงปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเขาเช่นกันเออชีวิตของพวกเรามีความสุขมากแล้วพวกเราเพียงต้องการควา ม, ควา ม, ความเคารพเล็ บ, บน้อยเท่านั้นนะเนะ ขับคุณมาาหาวะนอร่าตอนนี้ดมืนว่าพวกเราจะทอผ้าจากฝ่ายได้ดีมากเลยล่ะดังนั้นหญิงทอผ้าทั้งสามจึงเริ่มงานของพวกเธอพวกเธอทำงานตลอดทั้งคืนจนกระทั่งตอนเช้างานทั้งหมดในห้องก็เกือบจะเสร็จลงเมื่อพวกเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาพวกเธอทั้งหมดได้หายไปราชินีเข้ามาเพื่อดูความคืบหน้าของนอร่า คุณพระเธอทำได้ยังไงนอร่าทอผ้าจากฝ้ายภายในคืนเดียวแบบนี้นะ่สวัสดีเพคะฝาบาทฉันนะ่ะไม่เคยเห็นฝ้ายที่ดีที่สุดแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตนะ่ะนี่เธอทำงานทั้งคืนเลยอย่างนั้นเหรอเพคะฝาบาทเครื่องทอผ้านะ่ะหมุนเองเรากลับมีเวทมนต์เลยละคะ่ะเธอคงเหนื่อยแย่เลยสินะพักสักหน่อยก็แล้วกัน ขอพระทัยเพคะที่เป็นห่วงแต่ว่าฉันจะพักก็ต่อเมื่อทอผ้าฟ้ายหมดก่อนนอราไม่ได้โกหกราชินีแต่เธอเพียงเก็บความลับของหญิงทอผ้าทั้งสามไวเท่านั้นเมื่อราชินีออกไปหญิงทั้งสมก็กลับมาทำงานต่อฉันจะใส่ชุดเดงผ้าแพรสีแดงไปรวบงานของราชวงศ์ฉันจะใส่ชุดแพลสีเขียวตัวปโปรต ส่วนฉันจะใส่สีเหลืองตัวโปรดของฉันหญิงทอผ้าทั้งสามตื่นเต้นมากที่จะได้ไปร่วมงานแต่งงานของนอร่ากับเจ้าชายพวกเธอทอฝ้ายทั้งหมดอย่างสนุกสนานจนกระทั่งเมื่อสิ้นสุดของสัปดาห์ทั่วทั้งห้องก็เต็มไปด้วยผ้าฝ้ายที่ดีที่สุดที่ราชินีเคยเห็นมาฉันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆเนะนี่มันสวยงา ม, มาฉันประทับใจมากเลยนะ ขอบคณพคิฆาฝ่าบาทฉันดีใจมากที่จะได้คนที่ข ย, ยันอย่างเธอมาเป็นเจ้าสาวให้กับลูกชายของฉันไปบอกแม่ของเธอแล้วแจ้งนางว่ามันจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นที่นี่ดังนั้นรถม้าจึงถูกส่งไปที่บ้านของแม่นอราเพื่อนำนางมายังพระราชวังนอราเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับหญิงทอผ้าให้แม่ของเธอฟัง ลูกไม่ได้คิดจะชวนพวกนางมางานจริงๆใช่ไหมเนี่ยฮะแม่คะห น, หนูสัญญากับพวกเขาไว้แล้วนะอย่าเ ง, ง้อไปหน่อยเลยหน่อร่าราชินีและเจ้าชายคงชอบละมั้งทํามหญิงนารังกีมาเป็นแขกร่วมงานด้วยนะแม่คะสวัสดีเพคะฝาฝาบา สวัสดีคุณหญิงฉันว่าพวกเรามาลิสรายชื่อแขกที่จะมาร่วมงานกันเถอะนะมีใครที่คุณอยากจะให้มาร่วมงานเป็นพิเศษไหมละ่ะโอไม่มีเพคะแมคะแม่ลืมไปได้ยังไงฝาบาดฉันมีป้าสามคนและอยากชวนพวกนางมาร่วมงานโอ้แน่นอนที่รักฉันจะส่งคนไปเชิญพวกนางที่บ้านให้เองนะฝาบาดป้าสามคนนี้สนิท ก, กันกับฉันมาก พวกนาเป็นคนแสดงให้ข้าเห็นถึงความพิเศษของการทอผ้าฉันจะเชินพวกนางด้วยตัวเองและฉันอยากให้พวกนางนั้นถัดจัดฉันในงานเลี้ยงด้วยเพคะแน่นอนโ น, โนราตามที่เธอต้องการเลยนะดังนั้นโนราจึงไปเชิญหญิงทอผ้าทั้ง3โดยที่แม่ของเธอไม่พอใจเป็นอย่างมากเ <c oughs> มื่อวันงานมาถึงประตูของห้องโถงถูกเปิดออกเผยให้เห็นหญิงทอผ้าที่แต่งกาย ด, ด้วยชุดผ้าแพรสีแดง เขียวและเหลืองทุกๆกคนในห้องมองไปที่พวกเธอแต่นอรา่ารีบวิ่งเข้ามาหาและกอดพวกเธอป้าที่รักของหนูขอบคุณนะคะที่มาให้หนูแนะนำครอบครัวของราชวงศ์นะคะนี่คือฝ่าบาทของเราราชินีราชาและนี่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีคุณป้าพวกเราเตรียมที่นั่งไว้ให้พวกคุณแล้วโอ้ไม่อยากะชั่เลยว่า ข อ, ขอพระไทยเพคะขอพระไทยขอพระไทยนี่เป็นสิ่งที่หนูพอจะทำได้สำหรับความสามารถและความขยันทั้งหมดที่พวกคุณน่ะได้ช่วยหนูเอาไว้นะคะนอราให้พวกเขานั่งที่โต๊ะและออกไปทักทายแขกคนอื่นในงานในตอนนั้นเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดได้เข้ามาทักทายกับหญิงทอผ้าขอให้ทุกคนสนุกกับงานนะ พวกเราสนุกบหอกแต่ฉันอยากเต้นจังถ้ามุนตัวไม่ได้ก็คงเต้นไม่ได้นะสิเนะทอทําไมล่ะโอโดเทอาบวมของฉันสิมันเกิดขึ้นแตหลอนมาคุณใช้เครื่องทอผ้ามาเกิดไปอ๋อและข้าก็รอบเพลงไม่ได้ด้วยเออทาไมละ่ะดูป่ากของฉันสิมันเป็นเพราะว่าฉันเลียได้มากเกินไปนะ และฉันหวังจังเลยว่าฉันจะได้ยืนอยู่ในสวนตอนกลางคืนและมองไปที่ดวงดาวแต่ฉันทำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะอ้อการจ้องเส้นได้มากเกินไปมาทำให้การมองเห็นของฉันไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เด่ะมันเกิดขึ้นมาคุณต้องทอผ้าอ้อไม่นะนอระที่รักข้าขอโทษทีนะมีอะไรล่ ะ, ะข้าไม่อยากให้เจ้าทอผ้าอีกแล้วดูสิ การทอผ้าทำอะไรกับป้าที่น่าสงสารของเจ้าขอร้องแต่ว่าทำอะไรก็ได้ที่เจ้าชอบนะที่รักแต่ว่าอย่าทอผ้าเลยที่จริงฉันก็ไม่ชอบทอผ้าเท่าไหร่ฉันรักการวาดรูปนะเอองั้นเราจะหาอุปกรณ์วาดรูปที่ดีที่สุดให้กับเจ้าและเจ้าจะได้วาดภาพตามความปรารถนานนแน่เป็นความฝันของฉันเลยเพคะ และอีกอย่างนะให้ป้าของเจ้าพักในวังนี้พวกเธอคงเจอเหนื่อยมามากพอแล้วพวกเธอสมควรได้รับชีวิตที่ดีต่อจากนี้เอ็ดเวิร์ดคนช่างเป็นชายที่ยอดเยี่ยมและใจดีสุดๆเลยค่ะและด้วยเหตุนี้ตอราจะไม่ต้องแตะเครื่องทอผ้าอีกเลยเธอได้วาดรูปสมความปรารถนาของเธอและหญิงทอผ้าทั้งสาม ก็ได้อยู่ในพระราชวังกับครอบครัวของราชวงศ์เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและนอร่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนิดนิรัน